ะเจริญอนทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่อดูแล้วหน้าเก่าๆส่วนใหญ่พเพศเคยฟังคนเก่าๆที่เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนได้ผลช้ากว่าพวกที่มาใหม่ๆเป็นเรืเ่องแปลกนะอาจจะเป็นเพราะรู้จักหลวงพ่อตั้งแต่สมัยเป็นโยมคล้ายๆคนมันเคยกระทบไหลกันมา พวกที่มาเรียนทีหลังเนีเห็นหลวงพ่อก็เป็นพระละ้วเวลาสอนอะไรก็ฟังจุดหลักที่พวกเราบางคนภาวนาได้เร็วบางคนภาวนาได้ช้ามันอยู่ที่ว่าเราภาวนาได้ถูกหลักหรือเปล่าถ้าภาวนาถูกหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าเจ้าสอนแล้วก็ทําให้มากพอมันจะได้ผลเร็ว ถ้าภาวนาไม่ถูกหลักนะขยันให้ตายริงไปไกลที่ภาวนาเราเพียนภาวนาเราเครียดภาวนาเราอยู่กับโลกไม่ได้โลกเป็นฟืนเป็นไฟทนกับโลกไม่ได้อ น, นี่ภาวนาผิดถ้าเราภาวนาถูกนะตามหลักที่พระเจ้าสอนจริงๆนะเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกพระเจ้าอย่างบอกเลยท่านไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกนะโลกเป็นปฏิปักษ์กับท่าน นหน้าที่พวกเรานะเรียนให้ได้หลักซะก่อนอย่าเพิ่งขยันภาวนาบางคนในอาก็จะภาวนาถึงเวลาก็หลับตาทำใจให้นิ่งๆ บ, บังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่มันไม่ได้ผลนะเพราะว่าจิตมันไม่ถูกจิตไม่เข้าสู่ทางสายกลางที่แท้จริงแต่จิตมันจะแปรเพศ ไ่บังคับตัวเองอยู่คนในโลกนะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลงไปส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่บังคับไว้ควบคุมกายควบคุมใจไว้ก็ไม่บรรลุมรรคผลเหมือนกันสิ่งที่ปิดกัน้นการบรรลุมรรคผลมันมีสองตัวอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่ากามสุขาริกาตโยค การปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปปล่อยตัวตามกามไปอะไรที่เรียกว่ากามการมคุณอารมณ์ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายนะถ้าเป็นสำนวนหลวงปู่ดูลย์นี่ก็ปล่อยใจมัออกนอกม่วแตสนใจรูปไม่สนใจลูกตาของตัวเองสนใจเสียงไม่สนใจหูสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกสนใจรสไม่สนใจลิ้นสนใจ ความเย็นความร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบร่างกายไม่สนใจกายสนใจเรื่องราวที่คิดนึกน่ไม่สนใจจิตใจของตัวเองในคนในโลกมันเป็นแบบนี้มันออกนอกตลอดคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลามีกายลืมกายมีใจลืมใจใจลอยนั่นเองถ้าภาษาง่ายๆใจลอยไปลอยไปทางตาลอยไปดูลอยไปทางหูลอยไปฟังลอยไปทางใจลอยวิคิด นื้คนทั่วๆไปใจมันไหลไปตามกามนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหรือบางทีก็ไปคิดเรื่องกามคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทั้งหลายใจอย่างนี้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะว่ามันลืมตัวเองเวลาเราใจลอยนะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจเงีนศัตรูเบอร์หนึ่งเลยก็คือการที่เราลืมตัวเองลืมกายลืมใจ นี่บางคนพอลงมือปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันลืมตัวเองทั้งวันลนะพอคนลงมือปฏิบัตินะก็กลับข้างไม่ลืมตัวเองนะแต่บังคับตัวเองควบคุมตัวเองทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติทำเราทดลองก็ได้นะอืพวกเราลองนั่งสมาธิสเิเชิญนั่งสมาธิขยับไหมขยับร่างกายก่อนตอนเนี้นั่งอยู่แล้ว สมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งจิตเรามีสมาธิหรือเปล่าต่างหากพอบอกให้นั่งสมาธินะก็ขยับก่อนนั่งท่านี้ท่าอื่นถือว่าไม่ได้นั่งสมาธิพอขยับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เริ่มบังคับจิตใจทำใจให้ขลุ่มนี่นิ่งๆ น, น, นี่เป็นการแทรกแซงนะเราแทรกแซงกายแทรกแซงใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ เมื่อเราแทรกแสงนะร่างกายเราก็จะนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจเราก็นิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วเราจะไปเห็นความจริงได้ยังไงมันดีเกินไปมันดีเกินไปเรียบร้อยเกินไปเกินจริงเนี่ยคนไม่ปฏิบัตินะมันก็จะสุดโต่งไปข้างตามกิเลสไปข้างลืมเนื้อลืมตัวไปคนปฏิบัติมันก็สุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองกลัวกิเลสมา ก, กเกลียกกิเลสมากแล้วพยายามควบคุมกายควบคุมใจให้เรียบร้อย สิ่งสุดโตรงสองข้างนี้แหละเป็นอุปสรรคต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐา น, าฐานหรือเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจเนี่ยตามความเป็นจริงเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจมคนทั่วไปไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจเลยลืมกายลืมใจทั้งวันก็ทาวิปัสสนาไม่ได้ นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจนะควบคุมกายควบคุมใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงความจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นั้นทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะต้องเห็นไตรลักษ์อย่างบางคนบอกว่าไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะไปดูท้องพองดูท้องยุบอะไรเงี้ยเห็นอะไรเห็นท้อง เห็นท้องไม่ใช่วิปัสนานะถ้าเห็นไตร ล, ลักษณ์นีเป็นวิปัสนาหลักของเราต้องแม่นนะถ้าเราคลาดเคลื่อนจากหลักพวกนี้เราพอนาไม่ได้จริงหอกเราจะไปคิดเอาถ้าไม่คิดเอาก็ไปเพ่งเงามีสองอย่างเท่านั้นเองบางคนก็ไปคิดเรื่องไตรรักบางคนก็ไปเพ่งกายเพ่งใจคิดว่าถ้ากายนิ่งๆใจนิ่งๆได้มากพอวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกเพราะาไม่ได้เจริญวิปัสนาจริง สิ่งที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนให้ได้นะคือทําอย่างไรเราจะขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานได้จริงๆถ้าเราขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยเสียแรงเป็นชาวพุทธชาวพุทธไม่ใช่แค่ทําทานแค่ถือศีลแค่นั่งสมาธิการทําทานถือศีล น, นั่งสมาธิให้จิตใจสงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีกสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วไม่มีใครเหมือนนะคือการเจริญปัญญา การเจริญปัญญาไม่ใช่คิดเอานะเป็นการเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าไปรู้จริงรู้แจ้งในความเป็นจริงของรูปนามขันห้ากายใจที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนวันหนึ่งนะมันรู้แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตมันจะพัฒนาก้าวกระโดดไปจากกุตุชนเนี่ยก้าวกระโดดไปเป็นพระโสดาบัน ม่จิตเป็นพระสดาปันแล้วเนี่ยเวลาย้อนมาดูกายดูใจนะจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของกายนี้ใจนี้มันทำงานไปไม่มีผู้กระทำร่างกายมันทำไม่มีผู้กระทำจิตใจมันทำไม่มีผู้กระทำไม่มีเรานะต่อไปเวลาร่างกายมันแก่ก็เห็นว่ากายมันแก่ไม่ใช่เราแก่กายมันเจ็บ ก็เป็นร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายก็คือร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะมันจะพ้นออกไปจากความรู้สึกว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเราพลาดพลากจากสิ่งที่รักเราประสบกับสิ่งที่ไม่รักมันถอนคำว่าเราออกไปถอนความรู้สึกว่ามีเราออกไปเฉะนั้นความทุกข์มีอยูนะ่แต่ไม่มีเจ้าของหรอกเพราะมันไม่มีเรานะถ้าเราเห็นว่าตายนี้ในี้ไม่ใช่เรานะความทุกข์มันจะหายไปหลายสเเลย ไม่ใช่หายไป2 5่หอรอกนะบางคนเล่นบัรจัตรยางเลยนะมากผลมีสขั้นแต่ละขั้นนะหักไป2 5่สนตะี่เรคิดเอาเองนะได้โซดาบันนะใจมันมีความสุขมีความอบอุ่นมากนะคล้ายๆลูกมีพ่อมีแม่เด็กหลงทางกลับบ้านรู้ทางกลับบ้านแลพระโสดาเนี่ยคือคนที่รู้ทางกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านหรอกถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละถึงเรียกว่าถึงบ้านจริงๆบ้านที่แท้จริง คือถึงพรนิพพานจริงๆนิพพานไม่ได้ว่างเปล่านะนิพพานไม่ได้มีรูปมีนามอย่างที่เขาวาดภาพกันเป็นเมืองนิพพานอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานนั่นมันนิมิตหน้าที่ของเราที่จะเจริญวิปัสสนาได้นะเราต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ครบอันแรกต้องถือศีลห้าไว้ก่อนการที่เรารักษาศีลห้าไวนะ้จะช่วยให้ใจเราสงบ คนไม่มีศีลใจจะฟุง้งซ่านคนที่คิดจะฆ่าเขาคิดทําร้ายเขาคิดขโมยเขาคิดเป็นชู้เขาคิดโกหกหลอกลวงเขาใจไม่สงบคนขี้เล่าเมายาใจไม่สงบนั้นที่เราถือศีล น, นะเพื่อให้ใจเราเนี่ยมันมีเรี่ยวมีแรงไม่ฟุ้งไปตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ให้ดีนะถ้าเราดูในคัมภีร์นะจะมีตัวอย่างให้เราเห็นบางท่านเนี่ ยอมรักษาศีลจนตัวตายตายก็ไม่ยอมผิดศีลอะไรพวกนี้ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนะชาติต่อไปจะบรรลุง่ายแต่ถ้าผิดศีลกระพร่องกับแพ้ ง, พงไ ป, ไปมรรคผลยังไกลอยู่เะฉะนั้นะนะต้องตั้งใจไว้ก่อนการรักษาศีลห้าเบื้องต้นให้ตั้งใจรักษาไม่ต้องไปขอพระหรอกตั้งใจเอาเองก็ได้นะปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะรักษาศีลห้าวันหนึ่งปฏิญาณหลายๆครั้งก็ได้ น, นอนมาก็ตั้งใจรักษาศีห์ก่อนจะกินข้าวกลงวันก็ตั้งใจก่อนกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจตั้งใจอย่างนี้ไว้ก่อนนะแล้วต่อไปเราอยากพัฒนาการถือศีลองเราให้ดีขึ้นการถือศี น, นี่ถ้าเราคอยบังคับควบคุมที่กายที่ใจที่ปากอะไรเนี้ยถือยากพรอเปลือกมาไหนก็ศีนขาดก็ขาดเพราะอะไรเพราะกิเลสมันครอบงาใจได้ อย่างความโกรธครอบงาใจนะเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาแกล้งไปแย่งแฟนเขาอะไรนี่นะไปด่าเขาหรือไปแกล้งชมให้เขาเสียผู้เสียคนนะก็มูสาเหมือนกันนะหรือโลภะเกิดขึ้นนะก็ทําผิดศีลห้าข้อได้โมหะเกิดขึ้นก็ทำผิดศีลห้าข้อไดนะ้ตัวที่ทําให้เราผิดศีลก็คือตัวกิเลสนี่เองให้เราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันกิเลสทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้ว โลภเป็นยังไงรู้จักใช่ไหมโลภรู้จักไหมโกรธรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหูรู้จักไหมลังเลสงสัยรู้จักไหมรู้จักทั้งนั้นนะพวกเรารู้จักกิเลสนานชนิดอยู่แล้วนะตัวที่ไม่รู้จักนะคือตัวอวิชาะวิชาพวกเรายังไม่เข้าใจอนะดูไม่ออกเลยมันเนียนมากนะจิตที่เข้าถึงตัวอวิชานี้ดูสว่างดูแจม่มใสเบิกบาน รู้ตื่นเบิกบานจิตผู้รู้เลยคือตัวจิตอภิ ช, ชาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเรายังไม่เห็นนะเราเห็นกิเลสเท่า ท, ที่เราเห็นได้ก่อนเห็นกิเลสเท่า ท, ที่เราเห็นได้เนี่นะก็ภ า, าวานานได้มัดผลขั้นต้นๆได้แนละ้ความโกรธเกิดขึ้นค่อยรู้ทันนะความโลภเกิดขึ้นคอยรู้ทันมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเราที่เดียวความโกรธไม่เกิดที่ร่างกายความโลภความหลงอะไรไม่เกิดที่ร่างกายแต่เกิดที่ใจ แล้วถ้ามันโกรธขึ้นมารู้ทันนะมันโลภขึ้นมารู้ทันมันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันนะรู้ทันแล้วมันจะดับไปเองกิเลสเนี่ยถ้าเมื่อไรมีสตินะนั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเลยนะเพวกเราคอยรู้ทันกิเลสไว้พอกิเลสเกิดเรารู้ทันปุ๊บกิเลสดับพอกิเลสดับเนี่ยศีลไม่ผิดหรอกไม่ทําผิดศีลแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่หัดไปเรื่อยๆนะ อเราได้สีน่าตัอตนมัติแล้วการพาวนา ต, ต่อไปก็ง่ายละเราจะมาฝึกสมาธิให้ได้สมาธิอัตโนมัติมาฝึกจิตฝึกใจให้ได้สมาธิอัตโนมัติสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตอย่าไปแปลสมาธิว่าความสงบนะความสงบเนี่ยเป็นสมาธิชนิดหนึ่งความตั้งมั่นของจิตนะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าความสงบเป็นสมาธิแบบฤาษีที่เขาฝึกกันมา ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะสงบสบายไม่ไม่บางทีร่างกายหายไปเลยบางคนภาวนาจนจิตใจหายไปเลยจิตดับไปเลยไม่มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นต้นไม้และก้อนหินต้นไม้มีความทุกข์ไหมก้อนหินมีความทุกข์ไหมรู้สึกไม่ทุกข์ยิ่งพวกสมาธิฤาษีสมาธิสงบเนี่ยนะมันไปเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นอะไรงั้นไปเรามาฝึกสมาธิของพระพุทธเจ้านะสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่คัเนื้อกับตัว สมาธิอย่างนี้เอาไว้เจริญปัญญานะแต่ถ้าเราไม่มีศีลนะสมาธิตั้งมั่นไม่เกิดหรอกเพราะว่าเวลากิเลสครอบงำนะจิตจะไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลาอย่างเวลาเราโกรธเราจะสนใจคนที่เราโกรธใช่ไหมเราไม่ยอมดูไม่ยอมรู้หรอกว่าใจกาลังโกรธเวลาเรารักใครสักคนเราจะสนใจคนนั้นคอยดูเขานะว่าเขาทำอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งนะคอยตามเขา ใจเรามันจะไม่เห็นว่าใจกําลังรักอยู่มันสนใจแต่ของข้างนอกแต่ถ้าเราไม่ถูกกิเลสครอบงำํำราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนกิเลสดับไปใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะมาฝึกสมาธิชนิดให้จิตตั้งมัน่นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดเลย สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี like ่ยวิธ like ีฝึกเนี่ยให้ทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเช่นเราหัดพุทโธพุทโธนะอย่าบังคับจ Fo ิตให้สงบพุทโธพุทโธก็ไม่บังคับ like จิตให้สงบพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่บังคับว่าให้จิตตั้งมั่นไม่ควบคุมไม่บังคับพุทโธเล่นๆไปพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตมันชอบไหลไปคิดมากที่สุดเลยนะหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูนะ ว่าจิตมันจะไหลไปคิดแบบไหนต่อไปนี้จะหยุดพูดจะดื่มน้ําหน่อยหนึ่งละตอนระหว่างหลวงพ่อหยุดพูดนะห้ามคิดนะลองดูซิห้ามคิดนะคิดไหมคิดแหลกเลยบางคนนี้คิดทําไงจะไม่คิดบางคนรีบคิดพูทโธพุทโธเราบอกว่าเนนี้ไม่คิดนะพุทโธพุทโธพุทโธพูทโธก็คิดนั่นแหละ ดูออกอย่างว่จิตมันคิดง่ายๆแค่นี้เองนะหยุดให้คิดอีกหน่อยก็ได้เห็นไหมจิตมันคิดได้มันคิดได้เองนะไม่ห้ามมันนะแต่ต่อไปนี้เวลาเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราหัดไปทุกวันทุกวันนะแบ่งเวลาไว้สิบห้านาทีก็พอวันหนึ่งสักสิบห้านาทีนะพุโทโธไปหรือหายใจไปอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิด ท่านจิตไหลไหลในสุด ท, ทันทีที่เรารู้ว่าจิตไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนะกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะแต่คนละด้านด้านหัวด้านกล้อยโยนเหรียญออกไปแล้วมันไม่หัวมันก็กล้อยโยนไปไปเสียบร่องกระดานอยู่ปังปๆงอยู่นั้นข้อยกเว้นไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากถ้าไม่หัวก็ก้อยคือถ้าถ้าไม่คิดก็รู้ถ้าไม่รู้ก็คิดนะแค่นั้นเป็นหลัก งั้นเวลาที่เราจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตรู้นี่แหละคือจิตที่ตั้งมัน่นตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะถ้าเราไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราทํำวิปัสนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีจิตที่เป็นคนรู้จิตของเราจะเป็นแต่คนคิดการคิดนั้นไม่ใช่วิปัสนานะการคิดเรียกว่าวิตกถ้าวิปัสนาปัสนาว่าการเห็น วิภาวแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์งั้นเราจะต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไหล ร, รู้บ่อยๆจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ครูบาอาจารย์บางองค์ถึงสอนอย่างหลวงปู่ดูลย์คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เห็นไหมกลับข้างกันแต่ท่านไม่ได้ห้ามคิดนะบางคนได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เลยพยายามจะหยุดคิดพยายามหยุดคิดผิด พระลวงปูดูลสอนประโยคที่สามนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดปล่อยให้จิตมันคิดว่าจิตมีธรรมชาติคิดแต่พอจิตมันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่ามันคิดตัวรู้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพยายามบังคับไม่ให้มันคิดนะจะเกิดตัวรู้อีกชนิดหนึ่งตัวแข็งแข็งตัวแข็งแข็งตัวเครียดเครียดตัวรู้เลยมีสองแบบตัวรู้ที่ถูกต้องเนี่ยจิตหนีไปคิดเรารู้ทันได้ตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ผิดเนี่ย กลัวมันจะหนีไปคิดจะคอยควบคุมไว้รู้ตัวอยู่นะแต่แข็งแข็งใช้ไม่ได้เนี่ยต้องค่อยๆฝึกให้มันมีจิตที่ถูกต้องซะ ก, ก่อนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นจิตธรรมดาจิตธรรมดานะเราไม่ได้บังคับไว้เพียงแต่ไม่เผลอไปเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรที่เราจะสร้างจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปเท่านั้น จิตนะมันวิ่งได้นะร ล, ลองดูพระพุทธรูปสิสังเกตพระพุทธรูปให้ดีนะว่าพระพุทธรูปแบบนี้มืออยู่ตรงไหนนะพระเกตยอดแหลมแหลมของท่านหรือเป็นยอดแหลมหรือเป็นยอดบวชตูมสังเกตเมื่อขนาดที่เราดูพระเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมเนี่ยใจเราวิ่งตลอดเวลานะ เวลาดูมันก็วิ่งไปดูเนอย่างดูพระพุทธรูปนะใจมันวิ่งมาอยู่ที่พระพุทธรูปเวลาฟังนะวิ่งไปที่เสียงเวลาจะดมกลิ่นวิ่งไปที่กลิ่นวิ่งไปที่รสวิ่งไปที่สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราเวลายุงกัดดูอะไรก่อนระหว่างยุงกัดมือสมมติมันมากัดมือเราดูยุงก่อนใช่ไหมยุงต้องดูยุงก่อนต้องดูออกนอกก่อน แน่ใจธรรมชาติของใจนะจะออกนอกตลอดเวลานะห้ามไม่ได้อย่าไปห้ามมันเอาแค่ว่าถ้าใจมันไหลไปออกนอกไปนะรู้ทันออกนอกไปทางตาออกนอกไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลวงปู่ดูลสอนอยู่ประโยคนะว่าอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลไม่ได้แปลว่าห้ามออกนอกนะแต่ว่าออกนอกแล้วรู้ทันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองพระหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก จิตต้องออกไปรู้อารมณ์เสมอแต่จิตออกนอกแล้วเนี่ยขาดสติหนะลงไปเราหลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าจิตออกนอกเรารู้ทันนะจิตก็มีสติขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมา mm hmm. ก็มาเดินปัญญาต่อนะก็เป็นเส้นทางที่จะไปสู่ัรรผลนิพพานค่อยๆฝึกนะให้ฝึกไม่ยากอะไรมิธีให้มีศีลก็รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นศีลมันก็เกิด มิธีจะให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นก็อาศัยรู้ทานจิตที่มันเคลื่อนไปแรกรู้ทานกิเลสได้ศีลรู้ทานจิตที่มันไหลไปไหลมาจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วใจของเราจะตื่นภาวะแห่งความตื่นนี่เป็นภาวะที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยหลวงพ่อเทียนก็ดีนะสอนดีเหอกันลวงพ่อเทียน ลูกศิษย์ที่ดีของท่านองค์หลวงพ่อคำเทียนนะหลวงพ่อเทียนจะสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าคิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางการปฏิบัติเห็นไหมสอนมันลงที่เดียวกันนั่นแหละหลักเดียวกันนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆเน่ยก็ลงตรงเนี้ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไปคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติต้นทางก็คืออะไรได้จิตรู้นั่นเองได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมา ยันตัวนี้ตัวสำคัญนะตัวแตกหักจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่จิตผู้เผลอไปจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้เพง่งจิตผู้รู้เนี่ยเป็นทางสายกลางไม่เผลอไม่เพง่งเราต้องฝึกจิตให้มันเข้าสู่ทางสายกลางตัวนี้ให้ได้ซะ ก, ก่อนรู้จักเผลอไหมเวลาเผลอใจลอยใช่ไหมมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมเพ่งก็คือคอยควบคุมกายควบคุมใจ อย่างเราคิดถึงการนะเดินจงกรมปุ๊บเราก็บังคับกายบังคับใจคิดถึงการนั่งสมาธิก็บังคับกายบังคับใจนะเป็นผู้เพง่งไม่ใช่ผู้รู้นะถ้าผู้รู้เนี่ยเป็นทางสายกลางางั้นเราต้องมาฝึกจิตไม่ให้หลงไปสู่การเผลอไปไม่หลงไปสู่การเพ่งเอาไว้นะรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตรู้ก็เกิดพอได้จิตรู้แล้วอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆ บางคนพอได้จิตรู้นะแล้วก็คิดว่าอยู่แค่นี้แล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลได้จิตรู้คือได้สมาธิเท่านั้นเองได้สมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาเลยยังไม่ทํำวิปัสนาเลยถ้าจะทํำวิปัสนาเนี่ยนะเราก็อาศัยสติเนี่ยไปคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะพอเรามีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ จิตเป็นคนรู้ร่างกายมันหายใจอยู่จิตเป็นคนรู้นะอยากลองแม่ชะพาดูนะต่อไปนี้ลองลองนั่งนะแล้วรู้ลมหายใจกำหนดจิตไปไว้ที่ลมหายใจอ่ะพอก่อนถอยออกมาซึมไหมเกือบทั้งห้องซึมนะสมาธิอย่างนี้เป็นโมหะนะโมหะสมาธิเป็นมิจฉาสมาธินะ เอาใหม่ยิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานหวนคล้ายๆการล้มกระดานใอ้ของที่ทําผิดอยู่จะได้หายไปสังเกตแม้ใจตอนนี้ผ่อนคลายนะใจขนณะนี้สบายๆอย่าขยับใจนะใช้ใจอย่างนี้แหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมนะดูร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจด้วยใจที่สบาย ๆ, ๆลองดูเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆ รู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันสมาธิสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะทำสมาธิอย่างหลังนี่ให้มากนะมันจะเป็นสมาธิชนิดที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแล้วสังเกตไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่สังเกตดูอา้าวยิ้มหวานก่อนต้องยิ้มหวานก่อนนะอย่าลืมทาไมต้องยิ้มนะพภิธรรมสอนนะ บอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิยิ้มหวานหามีความสุขนะแล้วพอมีความสุขแล้วนะเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นไหมกายกับใจมั็นคนละอันกันร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันหายใจไหมค่อยๆดูนะตัวนี้สําคัญเลยนะถ้าเราเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าการแยกรูปนาม อะไรเป็นรูปร่างกายเป็นตัวรูปอะไรเป็นนามใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็นนามการแยกรูปนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้นะเจริญปัญญาไม่ได้งั้นการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่านามรูปปริ Ч เฉทญาณนะปัญญาขั้นที่หนึ่ง น, นามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนาม เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายนอนใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปหรือจะฝึกแยกนามมาทำก็ได้นะแล้เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูอย่างขนาดนี้บางคนเกิดความสงสัยทราบไหมความสงสัยเกิดขึ้นใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ แต่ไปมันจะเห็นเลยร่างกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะสุขทุกข์มันก็อยู่ส่วนหนึ่งความดีความชั่วมันก็อยู่ส่วนนึงใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยแยกออกเป็นส่วนๆคําว่าภาษาไทยคําว่าส่วนเนี่ยนะตรงกับบาลีคําว่าขันเคยได้ยินคาว่าขันห้าไหมขันห้าก็คือห้าส่วนห้าส่วนนั่นเองส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจําส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้เนี่ยเรียกว่าห้าส่วน ก็ค่อยๆหัดนะหัดแยกไปเอายิ้มหวานก่อนอย่าลืมยิ้มนะยิ้มเออพอยิ้มแล้วใจคลายรู้สึกไหมใจผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายนั่งไปเห็นร่างกายยิ้มใจเราเป็นคนดู น, ะนั่งไปนานๆมันเมื่อยเราจะเห็นเลยร่างกายก็อันนึงความปวดความเมื่อยก็อันหนึ่งใจที่เป็นคนดูสบายๆอยู่อีกอันหนึ่งร่างกายเมื่อยอยู่นะแต่ใจสบายนะค่อยดูไปอีก เมื่อมากเข้ามากเข้านะใจที่สบายเปลี่ยนกลายเป็นใจกลุ้มใจนั่งนานเดี๋ยวเป็นอัมพาดนั่งนานเดี๋ยวเป็นโน้นเป็นนี่นะใจกังวลใจเครียดขึ้นมาอันนี้เป็นอีกขันนึ่งเนระียกสังขารขันความปรุงของจิตลนะค่อยๆหัดดูค่อยๆหัดแยกไปจำหลวงตามาหาบัวได้ไหมจำท่านได้ไหมหลวงตามาหาบัวนะเพิ่งสิ้นไปไม่นานหลวงตาสอนกรรมฐานดีมากเลยท่านบอกว่า ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเตานะว่าเจริญปัญญาอยู่งั้นจุดตั้งตนของการเดินปัญญานี่หัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปวิธีแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นแรกทําไงยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลายนะพาใจผ่อนคลายใจมีสมาธิแล้วให้เห็นร่างกายกับใจมันเป็นคนละอันกันเห็นความรู้สึกมันเป็นคนละอันกับใจค่อยๆหัดแยกไป พอแยกได้ชำนาญแล้วนะต่อไปเราจะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินนอนอะไรทุกข์หมดเลยแต่ทุกทุกเนียดูไม่ยากนะแต่คนทั่วไปไม่ทันดู เช่นเราหายใจเข้าไปหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งจะเกิดความทุกข์เราก็รีบหายใจออกเลยแต่ยังไม่ทันเห็นเลยว่าหายใจเข้าเราทุกข์หายใจออกไปสักพักหนึ่งเราก็ทุกข์เราก็รีบหายใจเข้าเราก็เลยไม่เห็นว่าหายใจออกก็ทุกข์เหมือนกันหายใจเข้าก็ทุกข์เหมือนกันลองสีลองหายใจออกยาวที่สุดในชีวิตเลยเอาลองดูทุกข์ไหมยิ่งนานยิ่งทุกข์ใช่ไหมเราก็รีบหายใจเข้าเนย หายใจเข้าไปก็ทุกข์อีกอะไรปิดบังทําให้เราไม่เห็นทุกข์ในกายเรียกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์การที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนะจากนั่งอยู่ทุกข์ก็ไปเดินไปนอนไปอะไรเนี้ยก็ปิดบังไม่ทันจะเห็นทุกข์หรือหายใจออกหายใจเข้าว่าทุกข์นะเราก็รีบหายใจกลับข้างซะเราเนี่ยเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงร่างกายนะก่อนที่เราจะเห็นทุกข์ ทั้งที่ความจริงแล้วความทุกบีบคั้นอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกเลยแต่เราไม่เคยเห็นเลยเมื่อเราจะรักใคร่ห่วงแหนร่างกายมากแต่ถ้าเราเห็นนะว่าร่างกายนี้มีความทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ต่อไปมันไม่ยึดถือกายหรอกก็กลายเป็นตัวทุกข์จริงๆเอาไว้ไม่ได้แล้วจิตใจก็เหมือนกันนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นอนัตตาร่างกายเนี่ยเห็นเป็นทุกข์ง่ายเห็นเป็นอนัตตาง่ายเห็นไหมมันเป็นวัตถุเป็นธาตุ เป็นวัตถุนะมีาธาตุไหลเข้าหายใจเข้ามีาธาตุไหลออกหายใจออกมีาธาตุไหลเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยเป็นวัตถุเป็นกอนาธาตุกายเนี่ยเราเดินปัญญาเนี่ยเราจะเห็นตัวทุกข์ง่ายเห็นอนัตตาง่ายจิตเนี่ยถ้าเราดูจิตนะเราจะเห็นอนิจจังง่ายจิตเราเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเ ด, ดี๋ยวก็ร้ายนะแล้วก็บังคับไม่ได้อันนี้เรากเห็นอนัตตา เอาทุกคนสั่งให้จิตมีความสุขสิสั่งสิจงสุขจงสุขโอมจงสุขเวลารุ่มใจเคยไหมเพื่อนมาปลอบใจเธออยากกลุ่มไปเลยเคยมีไหมเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่รู้จักไตรลักษณ์บอกเธออย่ามาปลอบอย่างนี้นะผิดหลักศาสนาฮอยากกลุ่มไปเลยสั่งได้ที่ไหนอ่ะคนมันจะกลุ่ม ตรงที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาในวิปัสสนากรรมฐานนะ น, นะก็คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาอย่าไปตกใจกับชื่อศัพท์มันนะบางคนได้ยินว่าวิปัสสนาเลยตกใจวิปัสสนาก็แค่เราเห็นความจริงเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายของจิตใจเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายอยู่ตาหาก เห็นความรู้สึกต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากตัวนี้แหละคือใจที่เข้าสู่ทางสายกลางไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้ทุกอย่างจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพวกเด็กๆนะจะมีข้อดีกว่านักปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งคือเด็กเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติมากเลยบางทีเสียใจนะร้องไห้น้ําตาเปียกแก้มเลยแป๊บเดียวหัวเราะล้ว อารมณ์มันเปลี่ยนผู้ใหญ่แนละ้วคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกใช่ไหมวนเวียนวนไปวนมานะไม่เป็นธรรมชาติของเด็กนั่นเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเล่นด้วยกันเดี๋ยวก็โกรธกันใช่ไหมโกรธกันก็โกรธร้อยปีอ่ะมาดีร้อยชาตินะชาติของเธอสั้นนิดเดียว น, นะเดี๋ยวก็ดีกันอีกแล้ว ใ, ใจมันเปลี่ยนเร็วมันเป็นธรรมชาติแต่เด็กไม่มีสติเด็กไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวเอง มันมีแต่อารมณ์ตอบสนองผลักดันไปตามธรรมชาตินับปฏิบัตินะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจแต่ไม่มีจิตใจที่เป็นธรรมชาติบังคับหมดเลยบังคับให้นิ่งๆให้สงบให้ดีอย่างน้นอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรอกสวมหัวใจเด็กไว้อยากยิ้มก็ยิ้มนะยิ้มหวานๆไดยิ น, นมพอยิ้มๆแลสบายใจยุคนี้ต้องสอนให้ยิ้มหรือไม คนไทยเริ่มยิ้มไม่เป็นละยิ้มไม่สวยยิ้มให้ใจมันมีความสุขให้ได้เลยนะ <S <S <S ให้ใจผ่อนคลายแยกกายแยกใจออกไปดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานต่อไปถ้าเราดูมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญาเบื้องต้นมันเห็นว่าตัวร่างกายที่มันยิ้มอยู่เนี่ยตัวร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เอง เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตัวเราไม่มีเห็นตัวเราไม่มีได้พระโสดาน ะ, ะโซดาบัลปลอดภัยแล้วไม่ไปอภายแต่ถ้ายังไม่ได้ยังยังไม่ปลอดภัยยังเวียนไหตไยเกิดลงต่ำได้อีกงั้นตั้งใจในชาตินี้อย่างน้อยเอาโซดาให้ได้มิธีจะได้พระโสดาบัล น, นะถือศีลห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเอง นะทำใจสบายๆดูกายทำงานดูใจทำงานด้วยใจที่สบายๆดูไปงั้นเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ได้ก็ได้แล้วก็ดูต่อไปอีกถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้าขึ้นจะเห็นในร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์พวกเราเห็นไหมร่างกายเป็นตัวทุกข์ไม่เห็นหรอกคนที่เห็นนะ้านานาคาเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างร่างกายนี้สุขบ้าง ยังมีทางเลือกอยู่เพราะงั้นเรายังดิ้นรนที่จะหาความสุขดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์อยู่ใจไม่เข้าสู่ความสงบความเป็นกลางหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหรอกใจยังดิ้นอยู่ดิ้นหาสุขดิ้นหนีทุกข์ไปได้ถ้าเราเห็นว่ากายนี้ยังสุขบ้างทุกบ้างใจก็สุขบ้างทุกบ้างถ้าภานาไปมากมากนะต่อไปมันเห็นแจ้งขึ้นมาว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ทุกข์ล้นล้นเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ตอนเริ่มหายใจทุกน้อยหายใจไปนานนานทุกมากเนะี่ยตอนเริ่มนั่งก็ยังทุกน้อยนั่งไปนานนานทุกมากเนะี่ยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยสุดท้ายมันจะเห็นเลยนะไม่เห็นมีอะไรดีมีแต่ทุกตรงที่มันรู้แจ้งนะร่างกายไม่มีอะไรดีมีแต่ทุกเนะี่ยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายไม่ยึดถือกายยิ่งภูมิธรรมที่พระอนาคามีท่านเป็นกันแล้วมันจะเหลือจิตคราวนี้ยมันจะยึดถือจิตอยู่ดวงเดียว จิตดวงนี้ไม่ใช่จิตเหมือนที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้แต่เป็นจิตตัวรู้ที่เข้มแข็งมากเลยเป็นตัวรู้ที่ไม่ต้องรักษาล้วของเรายังเป็นตัวรู้ที่ต้องรักษาอยู่เพราะมันจะชอบไหลไปไหลไปไหนไหลไปหาตามหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสใชไหมส่นพระนาคามีเนี่ยใจท่านไม่ได้ติดในกามแะไม่ได้ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแลใจท่านไม่ไหลโดยที่ไม่ต้องรักษานะ ใจมุ่งตัวรู้เนื้อรู้ตัวเด่นดวงอยู่กันทั้งวันะ่ะแต่ท่านไปเห็นอย่างนี้ว่าใจดวงนี้พิเศษเหลือเกินไม่เหมือนใจของคนทั่วไปนะใจของคนทั่วไปเนี่ยมันมีความทุกข์มากนะขับแคบดิ้นรนเร่าร้อนสายไปสายมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสายตลอดเลยนะใจของท่านเนี่ยเด่นดวงของพระนาคามีไม่ต้องรักษามีความสุขท่านไปยินดีพอใจในภาวะนี้นะ แล้วก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะมีเทียบเขาเทียบเรานะเห็นเราไม่มีตัวเรานะไม่มีเขาไม่มีเรานะแต่มันอดเทียบไม่ได้มึ็นความรู้สึกเทียบตัวเทียบเนี่ยเป็นมานะพระานาคามียังมีมานะอยู่นะเห็นว่าโอ้จิตพวกนี้จิตลอยถ้วยนะจิตแขวงไปแขวงมากระชอกไปกระชอกมาไม่ได้เรื่องเลยนะส่วจิตผู้รู้ของท่านน่ะเด่นดวงเลยไม่เคย หนีไปไหนไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่แส่สายเลยประมาทนะประมาทคิดว่าจิตผู้รู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายได้แล้วก่อนหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลวันหนึ่งหลวงปู่ท่านก็ป ร, รารภธรรมะขึ้นมาอยู่กับหลวงปู่ดูลเนี่ยห้ามพูดนะนั่งเฉยๆพ่อนาไปแล้วธรรมะอะไรสมควรสอนเรานะท่านก็จะสอนออกมาเองวันนั้นนั่งอยู่กับท่านท่านก็ปรารภขึ้นมาบอกว่า เราดูดูไปหนะ้านักปฏิบัติส่วนใหญ่กระทั่งระดับครูบาอาจารยนะ์ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ท่านพูดอย่างนี้นะเราก็เงียบไม่พูดไม่ถามนะถ้าเป็นคนบางคนถามผีใหญ่เป็นไงครับท่านจะไม่พูดต่อแล้วท่านพูดเนี่ยแล้วเราไม่ถามนะท่านก็หยุดแค่นี้ไม่พูดต่อละหลวงพ่อก็ไปถามพระอุปตากว่าผีใหญ่เป็นไงบหกเป็นพรหมานาคาเป็นพระนาคามี ทำไมผ่านตัวสุดท้ายนี้ไม่ได้ก็ยังยึดจิตอยู่ยงงนนหลวงปู่ดุลนะท่านห่วงหลวงพ่ออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลวงพ่อไปเรียนท่านได้ปีกว่าๆท่านก็สิ้นนะ่ะไปหาท่านกลางสุดท้ายท่านเลยสั่งบอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้เออจาไว้นะอะไอย่างนี้ ถ้าเราไปเจอได้จิตตัวผู้รู้มานะเด่นดวงอยูน่นะเราจะคิดว่านี่ที่ดีที่วิเศษเราจะนิ่งนอนใจไม่สามารถผ่านด่านสุดท้ายที่ผ่านยากที่สุดนี้ได้นะแต่ถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็จะรู้ว่าจิตผู้รู้ก็ยังไม่เที่ยงอีกนะอย่างหลวงตามหาบัวท่านพูดนะเอจิตผู้รู้มันสว่างสวบนะ่นานนานไปมันหมองมองได้อีกนะี่มันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นอีกนะ หรือบางท่านก็เห็นมันเป็นอนัตตาให้ดูมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เด่นดวงสว่างตลอดเวลาคงที่นะนานๆไปมันหมองๆได้มันไม่แสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นก่ก็จริงนะแต่ตัวมันมองๆไดนะ้เนี่ยท่านเห็นแค่นี้ท่านก็ไม่ไว้ใจละของนี้ยังแปรปรวนอยู่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงก็ พ, พยายามมาเตือนปัญญาต่อนะมาค้นคว้าดูอยู่ในจิตในใจนี่แหละดูมักเข้ามักเข้านะ่ะใจมันก็วาง บางครั้งมันก็ปล่อยวางจิตลงไปนะแล้วก็ไปจิบขึ้นมาอีกปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบอย่างนี้นะในใจลึกๆ่กมันจะมีความรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรอยู่เรายังขาดอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบนะก็ภาวนาไปเรื่อยเลวันหนึ่งนีมันเกิดแจ้งขึ้นมาเห็นแจ้งในอริย ส, สัจสีนะ่เราจะรู้ว่าโอ้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยตัวจิตที่ว่าตัวดีตัวพิเศษเนี่ย จริงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางท่านเห็นมันไม่เที่ยงนะแล้วปล่อยวางบางท่านเห็นเป็นทุกข์แล้วปล่อยวางบางท่านเห็นอนัตตาแล้วปล่อยวางนะเห็นตัวผู้รู้เองนั่นพระอรหันต์เลยมีสามพวกนะพวกหนึ่งผ่านไปด้วยการเห็นอนิจจังพวกหนึ่งผ่านด้วยทุกขังพวกหนึ่งผ่านด้วยอนัตตาถ้าคนธรรมดาไม่มีอะไรเด่นๆนะก็ผ่านเห็นอนิจจังก็ผ่านแล้วพวกทรงฌานสมาธิสูงเนี่ย จะผ่านได้ด้วยการเห็นทุกข์นะเพราะว่าจิตที่ทรงฌานทรงสมาธนะิมันมีความสุขมากเมื่อเจอกับตัวรู้เข้าไปด้วยนะโอ้ยสุขมากเลยมันเลยคิดว่าเนี่ยของดีจนวันหนึ่งเห็นนะตัวรู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์นะเห็นตัวรู้เป็นตัวทุกข์เนะี่ยเจอโอ้ไม่ใช่ของดีแล้วจะปล่อยนะบางท่านท่านปัญญามากถ้าพวกที่เดินปัญญามากที่เห็นอนตัตนตะาเห็นมันไม่ใช่เราปล่อยเ่ตรง การปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีขั้นมีตอนนะตั้งแต่ถือศีลเลยก่อนศีหน้าเนี่ยจําเป็นที่สุดนะแล้วขั้นฝึกสมาธิก็คือฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองไม่เผลอไม่เพง่งจิตใจเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไม่เพง่งถัดจากนั้นก็เดินปัญญาวิธีเดินปัญญาขั้นต้นแล้วแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจพอแยกได้แล้วจะเห็นธาตุขันธ์กายใจแสดงไตรลักษณ์โตที่เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละ ตัวนั่นแหละวิปัสนาแท้เกิดขึ้นแต่ทาวิปัสนาช่วงแรกสมาธิจะไม่พอสมาธิไม่พอวิปัสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวนะวิปัสนูไม่ต้องไปกลัวทำวิปัสน า, าเจอทุกคนอนะ่ะหนี้ไม่พ้นหรอกไม่เกิดจากสมาธิไม่พอสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบนะสงบแนละ้วเจอวิปัสนูเขาไม่มีทางรอดเลยต้องจิตถึงฐานจริ ง, รงๆที่หลวงพ่อบอกจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นเลยนะ ต้องเจอทุกคนนะมีปัสโนมีทั้งสิบชนิดจํานวนมากเลยสําหรับคนที่ดูจิตนะมีปัสโนที่เกิดบ่อยสําหรับพวกดูจิตที่เรียกว่าโอภาสโอภาสเนี่ยจิตจะไปสว่างว่างอยู่ข้างหน้านแะล้วอยู่งั้นเป็นปีๆเลยสว่างสบายในวันนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะขึน้นเท่นเนี่ยหลวงพ่อไล่จิตโยมไปสองคนนะจิตมันไปติดสว่างสบายเพลินๆ อ, อยู่ข้างนอกนะคนหนึ่งตกใจถูกเจาะเข้าไปนะ ทวนกลับเข้ามาถึงฐาน่จิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาอีกคนหนึ่งยังแม่เข้ามาไม่รู้ไปไหนแล้วถึงเห็นแว บ, บๆอ๋ออยู่น่นก็ค่อยฝึกนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจริงๆก็คือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะแยกขันไม่ได้ถ้าจิตมีสมาธิถูกต้องแล้วก็ดูไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมหายใจอยู่ใจเป็นคนดู ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นอีกคนละนกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแยกได้แล้วก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นแสดงไตรลักษณ์ตรงที่เห็นแต่ละขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละมีปัชนาตัวจริงนะทำ ม, มีปรัชนาตัวจริงได้นะเดวันเเดือนเจ็ปีคนจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวบ้างนะถ้าทำมานานแล้วไม่ได้อะไรสักทีก็มีสองจำพวกหนึ่วพวกหนึ่งทําไม่จริงทําไม่พอนะหรือมีบาปมีกรรมมาก อีกพวกหนึ่งดีเกินไปหวังพุทธภูมิใจเลยไม่ไ ม, ไม่ผ่านสักทีถ้านะเป็นคนธรรมดาเนี่ยดูไปเจ็วันบางคนก็ผ่านบางคนเจ็ดเดือนก็ผ่านบางคนสักเจ็ดปีก็ผ่านคําว่าเจ็ดไม่ได้แปลว่าเจ็ดนะเจ็ดหมายถึงไม่มากเจ็ดแปลว่าไม่มากไม่กี่ปีหรอกดูอยู่ไม่กี่ปีก็ผ่านดูไม่กี่เดือนก็ผ่านนะผ่านได้ก็คือปัญญามันเกิดเกิด ค, ความรู้ถูกความเข้าใจถูก เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละเข้าใจอะไรเข้าใจไตร ล, ลักษณ์ของรูปนามกายใจตั้งแต่ต้นทางโซดาจนถึงปลายทางพระอราหันต์ก็รู้ตรงนี้เองฝึกนะใน้ชีวิตจะดีขึ้นฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจไม่แปลกเอาซีดีไปฟังซีดีหลวงฟ่อมไม่เหมือนใครนะกล้าท้าเลยฟังแล้วฟังอีกแล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนใครตรงไหน ฟังแล้วฟังอีกนัเราจะพบว่าฟังแต่ละครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนฟังเพลงนะฟังเพลงครั้งแรกๆก็เพราะเพลาะเลยฟังครั้งที่ยี่สิบครั้งที่ห้าสิบไม่ฟังแล้วขี้เกียจฟังมันแยกกว่าเก่าแย่ลงเรื่อยๆแต่ซีดีหลวงพ่อไปฟังนะใจมันยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะใจมันเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ย น, นะบางคนใช้เวลาเดือนเดียวมีมาส่งเงินบ้านนะไปเทศ ที่ไหนจำไม่ได้ไกลที่มีบอกว่าพอนานมาเดือนหนึ่งพอโอดเดือนหนึ่งเก่งแล้วขันแยกหมดแล้วนะเห็นไตรลักของขันแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าสู่อุเบกขาคือพอเห็นสุขก็ยังชอบอยู่เห็นทุกก็ยังเกลียดอยู่ใจยังไม่เป็นอุเบกขาถ้าเห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับนะั่นถึงจุดที่ใจเป็นอุเบกขาแนละ้วอีกนิดเดียวก็ยังบรรลุมรรคผลแล้ ตรงที่ใจเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูที่จะบรรลุมรรคผลเพราะงนพวกเราเวลารู้สภาวะนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายให้รู้ไปว่ายินดียินร้ายไม่ต้องไปทําอุเบกขานะอย่าไปแกล้งทําให้อุเบกขาเออก็อุเบกขาไม่ใช่ของปลอมเป็นเองมันต้องเป็นเองไปฟังนะวความรู้ความเชื่อใจเกิดการภาวนาจะไม่ยากคนอื่นเขาเรียนได้ทําไมพวกเราจะเรียนไม่ได้ คนที่เขาเรียนได้โมเทไปตอนนี้ที่นี่มีส่งงานบ้านไหมก็เคยเคยปฏิบัติก็คือฟังหลวงพ่อแล้วก็เคยดูท้อง่องยุบมาประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาดูท้อง่องยุบก็คือเหมือนว่าถ้าสมมติว่าแบบไปคิดเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นการติดคําบริกรรมหรือเปล่าพอไปคิดปุ๊บก็จะบอกว่าคิดหนอหรือแบบบางทีไปเพ่งที่นหนอไปว่าอะไรรู้ไหม คิดหน่อาคิดครั้งที่สองเช็ดนอสาสีคิดครั้งแรกก็แอบไปคิดเองคิดครั้งที่สองคือคิดคำว่าคิดหน่อคิดซ้ำเข้าไปอีกแล้วเป็นบริกรรมนะไม่เป็นสมถะแล้วแล้วคือการที่เรารู้ว่าเราคิดอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาใช่ยังต้องเห็นว่าเออจิตมันคิดได้เองนะเนี่ยมันเห็นอนัตตา เห็นมาเมื่อกี้เป็นจิตรู้แต่นี่เป็นจิตคิดไม่เทียงแล้วในชีวิตประจําวันก็คือสมมุติว่ามีเราอยู่แบบชีวิตประจําวันเราก็เหมือนมีเสียงอะไรดังมาปุ๊บเราก็ชอบยินหนอหรือเห็นหนออะไรประมาณอย่างนี้เลยคะ <S <S ่ะอันนั้ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการหัดเบื้องต้นเพื่อหัดให้รู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นโกรธขึ้นมาก็บอกตัวเองว่าโกรธหนอเป็นการเตือนให้รู้ว่ามีสภาวะของความโกรธเกิดขึ้น แต่ส่วนวิปัสสนาจริงๆเราจะเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมามนผุดขึ้นมามีกระบวนการนะมันไม่ใช่อยู่ๆมันโกรธได้หรอกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก่อนนะหรือใจไปคิดก่อนพอกระทบอารมณ์แล้วนะจิตมันทำงานต่อมันไปคิดในอารมณ์นั้นอีกทีนะไปไปวิาพากษ์วิจารณ์นะไปคิดต่อแล้วก็เกิดความรู้สึกตามมาอย่าอย่างเวลาเราเห็นคนขับรถปาดหน้าเนี่ย ต้องคิดนิดหนึ่งนะถึงจะโกรธอะไรทำให้โกรธอ่ะไม่ใช่การจับรถปาดนาแต่การคิดที่เรียกว่าพยาบาทวิตกอ่ะทำให้โทสะเกิดหรือเราเห็นผู้หญิงสวยนะใจยังไม่มีราคาต้องคิดนิดหนึ่งนะโอ้สวยจังเลยตรงนั้นสวยตรงนี้สวยอะไรราคาเกิดเรียกว่ากร ม, มาวิตตกทาให้ราคามันเกิดทำให้กรร ม, มาราคาเกิดเพราะ้นมันมีกระบวนการนะ ให้คอยรู้ไปเห็นมันทํางานเห็นขั้นเห็นตอนนะถ้าดูละเอียดก็จะเห็นขั้นตอนมันทํางานขึ้นมาอย่าไปรีบบริกรรมบริกรรมเป็นสมถะก็คือแค่แค่รู้เฉยๆว่าสมมติว่าโกรธมาปุ๊บเราก็รู้เองว่าโกรธอะไรใช่รู้นะเราเห็นในความโกรธพุ่ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูอย่างนี้เที่เป็นวิปัสสนาผมก็ไม่แน่แต่ว่าผมทําได้ถึงไหนแล้วเพราะว่ายังไม่ใจใจยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจยังเพียงอยู่ แล้วต้องมีการบ้านก็คือพอดีเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกอะครับปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนครับเออไม่เหมือนใช้ได้นะถ้าเหมือนอย่างนี้เพ่งอยู่ประคองรักษาอยู่คิดหมดเลยนะ อ, อ, อย่างเนี้ยเหมือนบางทีเราก็เพง่งบางทีก็ไม่เพง่งมันก็แล้วแต่เอเห็นไหมบางทีก็เผลอใช่ไหม ร, รู้เนี่อรู้แป๊บเดียวแล้วก็จะมาเพง่งนะอองั้นให้เผลอเราก็รู้บ่อยๆนะ อย่าไปเพ่งอย่าไปรักษามันติดรักษาน้าติดเพ่งอยู่อ๋อครับก็คือสรุปว่าก็กล้าๆห่เพ่งก็คือกล้าๆหน่อยไม่ดีก็ได้ต้องกล้าขนาดนั้นนะไม่ดีก็ได้โกรธก็ได้แต่โกรธล้วรู้ว่าโกรธแต่ไม่ให้ผิดศีลห้าเท่านั้นแหละให้ใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่าไปแทรกแซงมันถ้าโกรธขึ้นมาปุ๊บก็โกรธน้อโกรธนอแล้วความโกรธหายไปไม่ใช่วิปัสนา ถึงเราไม่ท่องคําว่าโกรธนอนนะพราะโกรธขึ้นมาเราท่องก็เอ้ยก่ไก่ก็หายเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีพยาบาลวิตกเนื้อข้าวนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันน้านคขาวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโหดเที่ยมกับจิตตัวเองมากค่ะแ ล, ละ้วโหดไหมเห็นไหม <laughs> ม่จะไปบังคับมากไปนะก็แต่ว่า น, นี่ใส่เป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อก็มันจริงจังน้ําเข้มงวดมากไป ตึงเครียดไปเมตตามันบ้างไอตัวนี้มันน่าสงสารนะไม่นานมันก็แก่ไม่นานมันก็เจ็บไม่นานมันก็ตายมันน่าสงสารอย่าไปโหดกับมันบ้างที่รูปแบบที่ทำอยู่ทุกวั น, นพอใช้ได้ทำยังไงเดินจงรมเดินให้ดูหน่อยห้เหรอคะเออไม่เห็นเป็นอะไรเลยเรานับปฏิบัติไม่ต้องแลบลิ้นนะตอนเดินเดิน ใส่รองเท้าเรียบร้อยสังเกตไหมเนี่ยเดินมาไม่มีสติต้องมีสติทุกก้าวเลยนะเออออกเดินสังเกตไหมว่าเริ่มบังคับจิตลนะ้วผิดตั้งแต่ตรงนี้แหลนะะใช้ใจธรรมดายิ้มหวานก่อนเออใช้ใจอย่างเนี้แนละ้วรู้สึกตัวเดินไปรู้สึกไหมว่าเริ่มเพ่งลนะ้วใจมันตึงๆนะอืมใช้ได้ นีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดนะเราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาระยะทางเดินเอาเวลาไปไปนั่งที่อย่างคราวนี้เดินรู้สึกตัวัวดโดนเล่น ง, งาน <laughs> ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวแล้วใจมันตึงมันแน่นนะแสดงว่ามากไปถ้าเมื่อไหร่ลืมตัวเองก็หย่อนไปไม่ตึงก็หย่อนก็มีเท่านั้นเองวันวนึง ธรรมชาติช่วงหลังเขาพยายามตามรู้ที่หลวงพ่อว่าตึงไปนะคะ ม, มันก็ยังเป็นเป็นหหายคร <ใน S 1> ับไม่เชินเพราะว่ามนมันอยากดีมันอยากดีรักดีหามจัวจ่วจั่วหนักนะ <laughs> ส่วนหนุ่มเนี้ยแม่นตาเนี้ยรู้สึกไหมใจ ย, ยังบังคับอยู่ยังทือท่อๆผิดธรรมชาตินะใจกล้าๆหน่อยไม่ดีก็ได้ห้ามชั่วเท่าห้ามผิดศีลเท่านั้นเอง แต่ใจเนี้ยปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปแล้วมีสติรู้มันอย่าเอาแต่กําหนดนะกําหนดไปเรื่อยๆได้สมรรถะกราบขอบพระคุณของคุณนะ้าดการน้ำมันสกานมันพื้นมันขี้โมโหมันเอาเป็นเอาตายนะงั้นเจริญเมตตาไว้เยอะๆหน่อยอเชิญกราบน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะ รู้สึกว่าพอพอรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรจะมาขอคําแนะนําของหลวงพ่อเพิ่มเติมอะค่ะรู้สึกพอใช้ได้แล้วล่ะะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเห็นไหมกายกระจายแยกมันเริ่มแยกแล้วพอรู้ว่าแบบแบบรู้แค่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็ก็ยังธรรมดานะเดี๋ยวก็แยกเดี๋ยวก็รวมแต่มันยังแยกเป็นยังแยกได้บ้างใช้ได้ ใจถึงฐานหรือเปล่า <c oughs> ไม่เข้ามา <c oughs> ใจอยู่ข้างนอก <c oughs> รู้สึกไหมลองย้อนเข้ามาดูจิตสิมันจะเด้งออกรูไห ม, <c oughs> มจะดีดออกแสดงว่าอะไรแสดงว่าขาดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะเพราะงั้นต่อไปนี้ต้องเพิ่มการฝึกทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจิตจะเข้าบ้าน S <S เพิ่มเพิ่มแหละคะเพิ่มเวลานิด <Mueller, S 1> หน่อยซ <Mueller. S 1> ้อมเรื่อยๆซ้อมบ่อยๆนะอย่างเราทำงานในแต่ละวันนะเมื่อก่อนหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะหลวงพ่อเเป็นคราวชอย่างพวกเราสมัยที่หัดใหม่ๆแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราเบรกถ้าทำได้นะเบรกตัวเองห้านาทีเดีย๋ยชั่วโมงหนึ่งไปห้องน้าทีหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงที่เบรกเนี่ยลุกจากโต๊ะมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไป ในห้องน้ํำนะถ้ากลับเนี่ยมีแรงแล้วก็ดูจิตกลับมาได้ชั่วโมงหนึ่งเราปฏิบัติห้านาทีเยอะนะสิบสองชั่วโมงได้กี่นาทีชั่วโมงละห้านาทีสิบสองชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงอย่าดูถูกนะห้านาทีเนะี่ยรวมๆแล้ววันหนึ่งเยอะนะเราเก็บเล็กเก็บน้อยของเราไปเรื่อยเลยห้านาทีสามนาทีนะพยายามอยู่อะค่ะแต่ว่ามันวันวันวนี้มันยุ่ง ทั้งวันเลยยุ่งก็ต้องทํางานนะแล้วเขาจ้างเราทํางานเราก็ต้องทําไปแต่ทาไปแล้วใจเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไประยะระยะไปนะยัเว้นพวกเขียนซอฟต์แวร์พวกเนี้ยต้องคอนเซนเทรตมากพวกนี้ดูกายดูใจไม่ได้แต่ทางานไปช่วงหนึ่งหมดเวลาทํางานค่อยมาดูเอาเพิ่มแต่เพิ่มเพิ่มเวลาในการเพิ่มไม่ต้องมากาหรอกนะหมายถึงอาจจะเพิ่มเพิ่มความถีหมายถึงวลาสิบ ห้านาทีสิบนา ท, นาทีในแต่ละชั่วโมงอะไรเนี่ยถ้าทําได้อนะแต่ชั่วโมงหนึ่งมากไปกระชั้นไปไม่สามารถทําได้งานของเราติดพันเนีเมื่อไหร่ที่เลิกจากงานลุกจากงานลุกจากโต๊ะอะไรเงี้ยนะดูของเราเนยห้านาทีสิบนาทีเก็บเล็เก็บน้อยไปเรืมันจะช่วยให้จิตเรามีแทงจิตเราจะตั้งมันได้ง่ายอันนี้จิตไม่เข้าบ้านขอบพระคุณค่ะ นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อก็หนูก็ตามดูตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นอะคะ่ะบางทีมันดับแล้วมันก็กระเทือนออกมาทางกายเลยอะคะ่ะอืมอืมไม่ว่ามันหรอกเป็นไงก็ได้น ะ, ะก็หนูก็จะดูต่อไปจนกว่ามันจะเป็นกลางอย่างแท้จริงอะคะ่ะมันมันมีความอยากนะความอยากมันแทรกมันจะเอาไปเอาตายมากไปหน่อยอ๋อยังยังอยากอืมจริงจัง มันอยากจะได้สุขใช่ไหมคะใช่มันพยายามมันการกระทําอะไรต่ใช่มันอยากมีกิเลสเกิดการกระทําเกิดวิบากกิเลสกรรมวิบากอยู่ในภพอยู่ตอนแน่นอนถ้าไม่ใช่ภพก็เป็นพระละห์ตอนนี้ต้องอยู่ในภพนะศีลสมาธิปัญญาเกิดในภพนี่แหละพัฒนาขึ้นในภพนี่แหละก็ดูไปจนกว่ามันจะหมดอย่างอ่ะค่ะเดี๋ยวดูไปสู้หรอค่ะ แบบนวสการคำก็ส่งกันบ้านในรอบสองปีค่ะคือที่ผ่านมาเท่าที่ดูตัวเองเนี่ยก็จะเห็นใจเห็นใจแยก แ, ยก แ, ยกแล้วคะแต่ว่าถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าอย่างย่งคีปัญหาที่เกิดส่วนอห ญ, ญ่จะแบบไม่ตั้งมั่นมากกว่าไม่ค่อยถึงถานนะคะต้องฝึกนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันต้องทำจิตจะได้มีแรง เ, เวลานั่งสมาธิมันจะมีความสว่างออกมาข้างหน้า แต่ว่าแต่ว่าเห็นนะคะว่าความคิดเนี่ยมันมันวิ่งอยู่แล้วก็ยากแ ย, ก, ยกตัวเราไม่ดูที่สว่างนะ ใ, ให้เรารู้ทันจิตใจของเราสว่างแล้วใจเราชอบรู้สว่างแล้วออกไปข้างนอกเรารู้อะไรเงี้ยนะรู้ทันจิตไปเอ ว, วันก่อนนี่คือมีมืนแบบมันมีเหตุการณ์ให้เกิดโธสระคือเดิมเนี่ยจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่เกิดโธสระเนี่ยมันเห็นแรงแรงกระตุ้นที่ผุดผุ ด, ผด เหมือนน้ำเดือดอยู่ในใจแล้วก็ออกมาทางกายแล้วก็ว่าออกมาเป็นแบบมือชาเลยค่ะแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าอ๋อเราเราโกรธเราโกรธขนาดนี้อะไรอย่างงี้ใช่มันผุดขึ้นกลางอกนะผุดผุดผุดถ้าถ้าแรงก็ขึ้นหน้าเลยก็ก็รู้สึกว่าอ๋อเราเราเราโกรธโกรธเยอะแลเราเมื่อก่อนจะรู้สึกว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เห็นชัดกติดสมาธิไม่ค่อยโกรธหรอกแต่ถ้าโกรธก็เอาตายเลย ก็ค่อยๆอยดูต่อไปเดูแม่แรงไม่พอยังแงไม่พอกำลังไม่พอตอนนี้ใจมันไม่ค่อยมีแรงรู้สึกไห ม, ไมหายใจด้วยเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวนะรู้สึกตัวเข้มขึ้นนิดหน่อยนะบานทีมันจะไปเพ่งกับคําว่าพุทโธค่ะ<ม>คือคือเหมือนกับพลอกไหลออกไปปุ๊บเรากลับมันะพุทโธแล้วก็คือเหมือนกลับมาที่กายนะคะธรรมดานะหรือรู้แล้วก็เพิดเพ่ง เป็นทุกคนแหละแล้วต่อไปว่าเพ่งน้อยลงน้อยลงก็ค่อยๆกลับกลับมา ใ, ให้มันมีแรงเนี่ยตอนนี้มันมีแรงกว่าเมื่อกี้รู้สึกมเอมต้องแรงขนาดนี้นะแรงมากกว่านี้เคลียดไปขอบคุณกลับนมามัสการค่ะหลวงพ่อเอเหมือนกับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแบบเห็นโทสะมากขึ้ น, นะคะ่ะหลวงพ่อคือมันเยอะมากเหมือนกับมันจะไม่ได้แบบ โกรธเยอะแต่ว่าเหมือนเที่ยวมันไส้คนอื่นเขาไปทั่วหรือว่าแบบอะไรเนี้ยคะ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยทั้งวันเนี้ยค่ะพันนี้ดีขึ้นแล้วละ่ะนะใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติเราไม่ห้ามมันนะถูกแล้วนะแล้วก็เห็นมันทํางานไปเรื่อยๆไปฝึกทําถูกแล้วละดูอีกของคุณที่เพิ่งส่งเงนบ้านเสร็จแล้เพ่งมากไปและ้นะอย่เพ่งเอานะอึดอัด ขอบคุณครั่อการง้อสการครับหลวงพ่อก็ฝึกปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนํามาครับดู้กายตอนนี้ก็มันก็รู้ว่ากายต่างหากนะออและ้วก<แ>เห็นเวทนาทางกายต่างหากแล้วก็มีความรู้สึกทางใจอยู่กลางหน้าอกต่างหากเนี่ยครับแต่ก็ที่เคยส่งแล้วกลับบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าแรงน้อยให้ปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มเราปฏิบัติใช่ได้แล้วนะครับดีแล้วรู้สึกไหมมันพัฒนาขึ้นแล้วครับแต่ว่าคือคือก็เห็นว่ามัน คามรู้สึกคนที่รู้กับกับสิ่งที่ที่ไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นอะไรงเงี้ยมันดูห่างๆารู้สึกติดขัดตรงที่ว่าบางครั้งที่ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะมันมีความรู้สึกแน่นๆบ้างเป็นบางครั้งซึ่งอธิบายไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันติดขัดหรือว่าจกใจมากแั้วก็จะแน่นขึ้นมาไอ้แน่นๆกลางหน้าอกเนี่ยบางทีมาจากคนอื่นก็ได้นะอย่างเราเข้าใกล้บางคนหรือบางคนคิดถึงมันส่งพลังงานมาถ้าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่จิตเรานะ ถ้ามันแน่นขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วดูอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้ตรงที่แน่นก็เลยพยายามจะมองมันแบบว่าความแน่นมันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็มากบางทีก็น้อยแต่แว่าไม่แน่ใจว่ามองอย่างนี้จะถูกไ่มครับถูกเป็นกันนะแต่ยังออกนอกอยู่แน่นๆนั้นอยู่ข้างนอกนอกจากอะไรนอกจากจิตนึกออกไหมเรามไม่ไม่ได้ทวนมาเห็นจิตที่กําลัง สงสัยว่าจะดูยังไงดีอะไรเงี้ย แ, แต่ก็ยังคือมันก็มีความรู้สึกว่าคนคนที่รู้กับคนที่แน่นก็เป็นคนละคนกันคนนะตรงที่มีตัวรู้เนี่ยมันจะแยกนะแต่ตัวรู้เนี่ยมีสองแบบตัวรู้ที่ถูกจะเป็นธรรมชาติสบายแต่ตัวรู้ที่ประคองไว้ทั้งวันทั้งคืนก็มีนะตัวรู้อย่างนั้นใช้ไม่ได้ คือยังคิดว่าตัวเองก็ติดฝุ่งคือความรู้มันก็ไม่เที่ยงมันก็วิ่งไปวิ่งมาบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง<ร>าแล้ก็ต้องอย่างนั้นนะแล้วก็บางทีก็ไปรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่พยายามจะให้รู้ภายในกายในใจเออตัอ้ถูกแล้วล่ะนี้ยังให้ปฏิบัติแบบนี้เหมือนเดิมทำถูกแล้วนะดีสังเกตไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมเราเปลี่ยนไปมากแล้วลนะ่ะดีใช่ได้นามาสะการคะ่ะตรงกันบ้านข้าวก่อนเขาบอกว่าฟงซ่านก็ให้รู้ว่าฟงซ่าน ก็กลับไปดูก็พัฒนาขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากลมหายใจหรือว่ากายมันก็จะคิดไปสารพัดแต่เราก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้บางทีก็โทรลงไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีความอยากมีกิเลสเออแนะ่นเราไม่ห้ามมันนะถ้าเรารู้ทันมันต้นต่อของการเคลื่อนก็คือตัณหานะเคลื่อนไปก็ทํางานไปบังคับไม่ได้แล้วทํางานแล้วความทุกข์เกิดห้ามไม่ได้อีก มี่ทำมาถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วล่ะดีข<ต>ึ้นะพัฒนาเพิ่มเติมอะไรไหยคะพัฒนาทำเรื่องวก็พัฒนากำลังน้อยแต่ก็อาศัยรู้ตัวเวลาเดินเวลาคุยมีจุดอ่อนตอนคุยนะคุยน้อยๆคุยเท่าที่จำเป็นเวลาคุยแล้วมันจะกระโจนไปมันจะอินในการคุยเป็นไหม เอ อ, <พ>อเระวง <พอ S 2> ตัวนั้นแหละพอลดตัวก็ถอยกลับมามรู้สึกเวลาขยับแต่รู้สึกตอนถอยอย่าไปดึ ง, งมันแรงมอนจะแน่นใช่ค่ะดึงแรงไปแรงไปนะ ใ, ให้รู้ว่ามันไปไม่ห้ามถ้าห้ามแล้วมันแน่นแค่รู้ว่าไปขอพระคุณค่ะเนี่ยนะคาพูดง่ายๆนะไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยนะเป็นทางสายกลางเป็นผู้รู้ ลงมือทําจริงนะโอ้ฝึกกันแลมปีเลยน ะ, ะนรครับนรัตการครับอรู้สึกว่าจะเป็นวิปัสสนูชอบสอนนะครับอืมอ่อเป็นอ่ายังเรียกบางคนก็จะหาว่าบ้าอืมบ้าหรือเปล่าวิปัสสนูไม่บ้าหรอกนะแต่คลา้คลายคล้าขนบ้าแค่คล้ายคล้าไม่บ้าหรอก แล้วจาเป็นต้องทานยาไหมครับตอนนี้โดนบังคับกินยาครับถ้าหมอให้กินเราก็กินนะเราหมอเขาเชื่อถือได้นะครับหมอเขาดูเป็นแล้วมีนะลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนนะไปหาหมอนี่แหละจิตแพทย์นี่แหละนะหมอรักษาอยู่นานไม่หายนะหมอเลยใช้ไม้ตายยาไหนก็รักษาไม่ได้แจกซีดีหลวงพ่อ น, นี่แหละหายนะ S 1> <S 1> <im> ของคุณน่ฝึกให้ใจมันถึงฐานจริงๆมันก็หายไม่ไม่จำเป็นต้องทานยา <im> ใช่ไหมไม่หลกงพ่อไม่วินิจฉัยอ่ะ <S <S <S <im> นะ <im> แล้วคือตอนนี้ติดอยู่ว่าไปรู้มาหลายแบบมันก็เลย <im> มีหลายวิธีเสร็จ <im> แ, แล้วคือมีคนแนะนำว่าควรจะฝึกอ่าซักแบบนึงให้ <im> ชำนาญ แต่ผมคือเท่าที่เห็นมีสองอย่างก็คือลมหายใจกับรู้ตัวทั่วพร้อมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าครับลองรู้ลมซิลองรู้ลมซิทำซิดูลมนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไวสังเกตไหมเวลาเรารู้ลมนะจิตเราสายครับให้รู้จิตนะอย่ไปรู้ลมที่มันสั้นๆที่รร้สึกว่าจิตรู้จิตที่สายไปสายมา ลมเป็นแค่เหยื่อตกปลานะจิตเป็นปลาอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายนะเป็นแค่เหยื่อตกปลาเราจะเอาปลาเอาจิตแล้จะเอาจิตอันเดียวท่านเองเอาจิตที่เป็นผู้ตั้งมั่นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอย่างนี้จิตไหลไปคิดเห็นก็มารู้ลมรู้ลมไปสบายสบายแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้แต่แทนที่จะรู้ลมนะเปลี่ยนซะรู้ร่างกายที่หายใ จ, จไปรู้ที่ลม รู้ทั้งตัวเนี่ยที่มันหายใจนะใจมันจะคลายมากกว่าถ้ารู้ที่ลมส่วนใหญ่จะเพ่งครับ ก, ก็เลยเรียกว่ารู้ตัวท่วมพร้อมแต่ออไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่า อ, อ้าวรู้ตัวทั่วพร้อมดูออแกล้งทําใจกว้างไปแกล้งทําอย่างเนี้ยแกล้งทําไปนะมันไม่ใช่รู้ตัวแล้วมันแกล้งทำํำเราทำอย่างนี้นะครับไม่เอาลื้อให้หมดเลยที่ทํามานะครับยิ้มหวานก่อน ข้างในไม่หยอมยิ้มเอาใหม่ยิ้มอีกต้องให้กายจีเอวทั้ทีแล้วนะนะนั่งใกล้ๆจีเอวทีมันมันติดซึมพอยากบกินแล้วมแล้วมันจะออโทษหมอคือมันถึงขั้นแบบว่าไม่อยากไปกินข้าวไม่อยากอะไรมันก็รู้แต่มันก็ต้องขยับ มือให้มันแบบฝืนขึ้นมาแต่บางทีก็ทำไม่ได้เออาการพวกนี้นะมันเกิดจากทางกายก็มีนะทางใจก็มีนะนี่นเราปฏิเสธหมอซะทีเดียวไม่ได้แล้วถ้าเป็นอาการทางร่างกายอะไรนี่ก็ต้องกินยาแต่เคยแอบไม่กินมันรู้สึกว่ามันจะรู้รู้ทันเยอะแต่ว่าอ่ามันมีมิจฉาทิฐิว่าแบบจะต้อง คือไปติดชอบสอนมันก็จะหาวิธีบางทีผิดศีลแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วครับดีอย่าไปทําอย่าเพิ่งสอนนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งสอนฝึกของเราให้ดีก่อนก็คือใจเราอยาสอนใครไม่ได้ก็คือสรุปคือให้รู้ลมหายใจแบบรู้ร่างกายหายใจสบา ย, บายร่างกายหายใจนะรู้ด้วยใจที่สบายๆนะไอ้ที่เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนี่ผิดพาะนั้นแกล้งคํา แกล้งรู้สึกแกลงรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนี่ไม่ใช่หรอกแต่ที่ถ้ายัางตอนนี้รู้หายใจรู้ชณะเนี้ยขนาดเนี้ย ใ, ใช่ได้ไดดเออต้องอย่างนี้เลยนะครั บ, รบมากกว่านี้ผิดแล้วครับแล้วขอบคุณครับหมอให้กินยาเขากินนะกาบนมัสการนะครับหลวงพ่อก็ จะถามหลวงพ่อ่าอันนี้หนูรู้สึกตัวเป็นบ้างหรื อ, อยังคะเป็ น, ปนรู้สึกเป็ น, ปนรู้สึกเป็นแล้วออขันขอพอยากในบ้างอ้าว เ, เราไม่รู้เหรอ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันฮะ <c oughs> ไม่รู้เหรอว่ามันแยกเห <c oughs> ็นไหมไกายกับใจมันคนละอันความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วโคนล ะ, นะ อ, อันกับใจแยกแล้วล่ะถ้าขันแยกได้นะแล้วก็อย่าไปจงใจแยกนะแยกบ้างรวมบ้างก็ไม่เป็นไร แล้วก็แยกแล้วมันก็ดูมันทํางานค่ะก็คือพอเวลาหนูรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นว่ามันไปจับอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์อะไรอย่างเนี้ยพอรู้ปุ๊บนันก็จะรีบปล่อยปั๊บอย่างเงี้ยค่ะและออ้วพอไม่เจตนาปล่อยนะคือค่ะพอหนูฟังสวีหลวงพ่อบอกว่ามันผิดหนูก็เลยอ่าวปฏิบัติผิดแล้วคือจะต้องไปรู้ให้รู้อย่างที่เป็นนะอย่าไปแทรกแซงแค่ไม่ให้ผิดศีลห้าพอแล้วละค่ะแล้ว ช่วงปีแล้วที่เคยสมคันบ้านหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าพอเข้าไปรู้ว่าลมปุ๊บมันก็จะดับทับหมือนพอกดปุ๊บก็หายทับเลยนะค่ะแต่คือช่วงนี้แบบมันรู้สึกว่าแบบคืนเข้าไปรู้โกดมันก็มันก็ไม่หายคือก็ยังโกดหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอยู่กับทุกข์นานขึ้นแบบบางทีมันไม่ใช่ของเราแล้วนะพวกมารมันแกล้งนะมันวิวเราเระกรู้ทันนะอย่าไปเชื่อมัน บางทีแบบพอโกรธอยู่พรมีใครเอาพูดทําไม้ฟังก็ยิ่งโกรธอีกเหมืันเราก็พยายามดู้แล้วแต่มันไม่หายะโกรธเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่พยาบาทวิตกถ้าเราไปตรึกนะก็โกรธขึ้นอีกถ้าเราไม่ตรึกมันก็ไม่โกรธหรอกงั้นเราอย่าไปคิดสิเหมือนหลวงพ่อสอนพระนะพระบอกอุ้ยกลัวเวลาราคะเกิดกรรมราคะอุ้ยกลัวมทําไมอย่าไปคิดเท่านั้นแหละถ้าไม่มีการมาวิตกนะการมราคะก็ไม่มีความหมายอะไร ไม่มีพยาบาทวิตกนะโทสาก็ไม่มีหรอกหลังวปัญหาของหนู อ, อย่างคือเวลานั่งในรูปแบบอยะไรนี้ยค่ะมันจะเกิดอาการแน่นที่หน้าอกแล้วก็แบบมีลมดันออกมาตลอ ด, ลอ ด, ลอดเวลาหรือว่าหนูเพ่งไปหรือเปล่า <laughs> บางทีคนอื่นมันก็แกล้งเรานะ <laughs> เวลาเราภาวนาดีๆนะมานมันจะแกล้ง <laughs> ก็ทํายังไงคะไม่ยากหรอกแต่ว่าสอนในที่เอกระเริกนี่ก็ไม่ดี <laughs> ส่วนมวนไป จเจริญเมตตาไปะนะนวมัส ก, การครับหลวงพอ่อผมอ่ากับข อ, อโอโหสิกรรมกับหลวงพ่อนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ฟังธรรมะจากหลวงพอ่อแล้วก็ได้หลวงพ่อสอนตั้งแต่เก้าปีแล้วครับแต่การปฏิบัติก็ยังไม่ได้ลุ่มในรอ้อนสักเท่าไหร่ไม่จริงมั <c oughs> ้งสังเกตไหมตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับเห็นไหมขันมันแยกได้เห็นครับ ก็ได้ได้ได้ได้ธรรมาจากหลวงพ่อเนี่ยแหละครับที่หลวงพ่อสอนผมว่ารู้กายและจิตตื่นไปทําอะไรอืมแล้วแค่นั้นก็ได้กรรมฐานที่มาใช้ทั้งชีวิตแหละครับอืมําไปนะแล้วก็ทําให้เลยเข้าใจว่าสมัยก่อนฟังธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่เข้าใจตอนเป็นพระนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นคารว่าที่มาส่งงานบ้านหลวงพ่อนะแล้วพอครั้งนี้ถ้าเกิดคราวหน้าถ้าจะหมดเดี๋ยวจะไปขอผ้าไตหลวงพ่อนะครับเดื่องไม่ได้ปีเปี่ยนแจกผ้าไตเยอะ นมนส ก, การครับรับผ่อนนะยาถาวาริวหาปุราปริปุรเรนเตสาคารังเอวเมวะอโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิ ป, ปเมวาสมิจจตุสเพปุรเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา สพีติโยวิวัชชนตูสัพรโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกพะวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโรธรมาวัตันเตียยุวันโนสุขังพระลัง